โอกาสประสงค์ทุกรูปขอเจริญพรยโยมสาธุชนผู้ไข่ทำทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านผู้การธงชัยได้ให้ความสะดวกสถานที่อาหารสิ่งปัจจัยต่างๆก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ ให้คณะพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ท่นภูกการแล้วก็ผู้พูดคุณกิ่งการพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปพม่าเมื่ อ, อเดือนที่แล้ว ก็ได้ไปที่สำนักปฏิบัติสำนักวัดพระอ้าว เ, เราก็ได้ไปพบขวัดปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามหลักของพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมหลักของศีลสมาธิปัญญา ซึ่งเท่าที่เรารู้จักแนวการปฏิบัติต่างๆในเมืองไทยก็มีอยู่หลายรูปแบบแต่ว่าที่คณะได้ไปพบการปฏิบัติที่ทางวัดพระอ้าวโดย มีท่านอาจารย์เลวตะเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานส่วนอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นพะทถละในระหว่างที่ไปนั้นท่านไม่อยู่ก็เราก็ได้ไปสักถามบ้างแล้วก็ไปทดลองปฏิบัติบ้างในเวลาอันสั้นก็เห็นว่าแนวทาง ที่ทางวัดนี้ได้ปฏิบัติแตกต่างจากที่เราเคยได้พบได้เห็นมาในที่ต่างๆคือว่าสำนักนี้ก็ยึดหลักวิสุทธิมรรคยึดหลักพระไตรปิฎกประยัิปฏิบัติควบคู่กันไปก็ปจึงรู้สึกว่า เห็นด้วยกับวิธีการที่ท่านทางสำนักท่านใดอบรมสั่งสอนประชาชนแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติที่นั่นเนี่ยก็มีทั้งชาวพมา่าแล้วก็ชาวต่างประเทศที่เป็นฝรั่งเป็นเอเชียตั้งแต่ไต้หวัน สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแต่ว่าไทยก็ผู้ที่ไปพบก็คืออาจารย์มหาพยอมอาจารย์อาคมซึ่งผมก็เคยทราบข่าวมาเมื่อสองสมปีได้รับหนังสือแต่พอเป็นภาษาพมา่า แต่ว่าก็พอเดาความได้ว่าแนวทางปฏิบัตินี้น่าจะน่าจะถูกต้องน่าจะเป็นไปตามหลักพระไตรปิฎกก็จึงคณะเรามีท่านผู้การธงชัยคุณกิ่งการพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางไปเจดวันก็ได้เห็นรูปแบบว่าพระสงค์ทุกรูป ประมาณห้าหกร้อยรูปที่ไปปฏิบัตินั่นนะก็รักษาผวินัยเข่งคัดการนุ่งห่มเป็นปริมุนทนเหมือนกันหมดการเดินการเป็นอยู่อะไรต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยญาติโ ย, ยมที่ไปปฏิบัติก็ มากพระก็ต้องเห่าร้อยโยมก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าแยกเป็นฝ่ายอุบาสิกาก็ไปปฏิบัติอยู่ในส่วนห่างกันพอสมควร อ, อีกเขตหนึ่งเขตในที่เราไปก็เป็นเขตของพระพิสุอุบาสกแล้วก็เป็นพระโบสดหลังใหญ่ ขึ้นไปปฏิบัติกันเต็มทั้งสองชั้นโบสดสองชั้นเช้าตั้งแต่ตีสก็ไปเจริญอาณาปานสติแล้วก็ได้เวลาอาหารก็มารับอาหารเช้าจากเช้ารับอาหารแล้วก็ไปถึงถึงเพน เพลแล้วบ่ายโมงก็ปฏิบัติต่ออาณาปานสติถามเหตุผลว่าทำไมจึงเริ่มด้วยอาาปานสติเพราะว่าโดยเฉพา ะ, ะการที่หนึ่งก็จะเป็นการสำรวจศีลถ้าผู้ที่สงสัย ห้องใจในเรื่องศีลในเรื่องอบัติอะไรพวกนี้ก็จะสมาธิมันไม่ได้ไม่เกิดสมาธิก็ต้องมาชำะาระศีลมาโปรงบัตแท่านก็อนุเคราะห์ให้มีที่อยู่ปริวาทมีอะไรแต่ไรพร้อมหรือว่าใครยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการ อ, าอุปสมบทก็จะมี ท่นก็จะส่วน เ, เรียกว่าทำให้มั่นส่วจขึ้นอีกครั้งไมู่โบสถ์ที่จะทำวิธีให้สะดวกสบายก็ เ, เรียกว่าในพระวินัยก็มีการเกื้อกูลอย่างดี แล้วก็การปฏิบัติก็จะเหมือนกันแลดูหน้าเรื่มใสในฝ่ายผระสงค์ในฝ่ายอุบาสกบาสิกาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเช้าก็ถือบาตรถูกรูปบิณฑบาตแล้วก็มีที่สถานที่ใสาบาตร มีอาหารที่จะบริการให้พอทั้งชันมื้อเดียวและวชันสอ ง, สองมื้อก็ไปอีกรอบหนึ่งแล้ชันมื้อเดียวบินตบาตแล้วก็จะไปชันรวมหรือมาชันที่กุฏิก็ได้เห็นว่าในการบริการเรื่อง <c oughs> ปัจจัยสี่ ก็สะดวกสบายแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็พระสง์ก็เอาลอยญาติโยมอีกเรียกว่าคนเป็นพันแต่ว่าก็มีอาหารมีอะไรสมบูรณ์แต่อาหารหนักในทางมังสวิรัตชาวบ้านเขาก็จะมาเลี้ยงกัน หมู่บ้านต่างๆก็ผัดเวรกันมาสิ่งเหล่านี้ก็น่าศรัทธาเติมใสในที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งก็แตกต่างกับที่เราพบเราเห็นในบ้านเมืองเราแต่ว่าวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยทางคณะเราก็เลยนิมนต์ท่าน เลวตะเนี่ยซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแล้วก็ท่านถนัดที่จะสอนใช้ภาษาอังกฤษนั่นพวกชาวต่างชาติหลายชาติหลายภาษาก็มาฝึกกรรมฐานได้มีท่้นก็มีทั้งฝรั่งทั้งชาวเอเชียต่างๆเนี่ยไปกัน ผุ้คนเยอะก็คิดว่านับว่าเป็นบุญนะับเป็นโชคดีของที่นี่แล้วก็พวกเราที่ได้ทราบข่าวก็มากันกร ใ, ใจว่าก็คงจะมาเพิ่มเติมอีกต่อๆไปก็เกินความคาดหมายก็เป็นภาระหนักของท่านผู้การพอสมควร ก็ต้องขอโน้มโมทนาในกุศลที่พวกการได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมเราก็จะได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปก็ท่านคงจะได้มาบรรยายมาแนะแนวทางการปฏิบัติในสำนักของท่านและรูปแบบที่ท่านได้ จัดอบรมสั่งสอนอยู่ก็คิดว่าแบบ น, นี้ก็คงสมควรแก่เวลาก็คงจะนิมนต์ท่านขึ้นมาบรรยายเรื่องของแนวทางปฏิบัตินี้ต่อไป